เรื่องพวกภิกษุฉับ พ, พักขีงดปาติโมกสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีปรึกษากันว่าใครๆไม่รู้จักพวกเรามีอาบัตติดตัวฟังปาติโมก ภิกษุผู้เถระทั้งหลายผู้รู้วาระจิตของผู้อื่นบอกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายพวกภิกษุฉับพักคีชื่อนี้ชื่อนี้ปรึกษากันว่าใครใๆไม่รู้จักพวกเรามีอาบัตติดตัวฟังปาติโมก พ, พวกภิกษุฉับพักคีได้ฟังข่าวว่าภิกษุผู้เถระทั้งหลาย ผรู้วารจิตของผู้อื่นบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพวกภิกษุฉับ พ, พักคีชื่อนี้ชื่อนี้ปรึกษากันว่าใครใคไม่รู้จักพวกเรามีอาบัตติดตัวฟังปาติโมกภิกษุฉับ พ, พักคีพวกนั้นปรึกษากันว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลดีงามจะงดปาติโมกแก่พวกเราก่อน จึงรีบงดปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตำหนิประนามโพลทนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉับพักคีจึงงดปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรเล่า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 เพราะเรื่องไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรรูปใดงดต้องอาบัตทุกกฎ